ขอนอบมต่อพรัตะไตร์โคงการพระอาจารย์เพสาลพระเทลานุเทละเพื่อนสาธมิกทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงบรรลุพระนุตระสัมมาธรรมสัมพุทธญาณแล้วก็ได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ ้ทรงแสดงธรรมจักรกับตภาวนาสูตรเพื่อแก้ <c oughs> ทิฏฐิทั้งสองคือก <c oughs> ามาสุขาริการุโยคคือความที่เพลิดเพลินไปในกามทั้งหลาย <c oughs> แล้วก็อาตตะกิหรือมัทานุโยคคือการทําตนให้ได้รับความทุกข์ทรมารต่างๆซึ่งปัญญวคียึดถืออยู่ลหลังนั้นก็ทรงแสดงหนทางแห่งทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาหรือ ม, มัชฌิมยงแปด เป็นหนทางปฏิบัติและได้ทรงแสดงเริยสัตว์สี่คือทุกสมุทยัยก็คือสาเหตุแห่งการเกิดทุกนิโรธคือความดับทุกขและทุกนิโรธค า, าม่มีปฏิปทาคือหนทางปฏิบัติเพื่อความมลทุกหรือมรรคแปอันได้แก่ศีลสมาธิปัญญากันเองหลังจากที่ทรงแสดงแล้วพระอัญญากลัญญาก็ได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาก็เลยบรรลุความเป็นพระโสดาบันแล้วก็เลยขอบวชหลังนั้นพระปัญญวิคีที่เหลืออีกสี่ก็ได้บรรลุถึงพระโสดาบันกันทุกองค์และได้ขอบวชตามมาและหลังนั้นพระพุทธองค์เลยทร ง, สงแสดงอนัตตาลัคนาสูตรก็คือเนื้อความว่า ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีแต่วความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ช่ตนบังคับเป็นชายไม่ได้พระปัญญวิคีทั้งห้าก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดจากการฟังอนัตตาแะะัะขณะสูตรนี้หลังจากนั้ น, นก็ได้ทรงแสดงทรรมโปรดยะสา ก, กลบุตร ในอนุ ป, ปุพิกถาคือทานศีลสวรรค์การเห็นโทษในกามและการออกจากกามจนพระยศะบรรลุปเป็นพระรหัสแล้วก็ได้แสดงอนุ ป, ปุพิกถาพร้อมทางเรียยวสัตว์สี่โปรดแก่พระสหายของพระยศะ ไปรูปพระอรหันต์ทั้งหมดนะในครั้งนั้น <c oughs> ก็มีพระอรหันต์ทั้งสิ้น61องค์รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วย <c oughs> หลังนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เดินทางไปแต่ละองค์ในทางสายเดียวไม่ให้เดินทางไปทางเดียวในสององค์แล้วพุทโ์ก็ได้ทรงเดินทางไปยังอูลุเวลาเสนานิคม <c oughs> <c oughs> เพื่อที่จะเออ เผยแพ่์าสธรทมให้กว้างขวางออกไปได้ทรงเดินทางมาในระหว่างทาง <c oughs> ก็ได้พบกลุ่มปัญญวัอกลุ่มพัทวคคีหรือสหายสามสิบคน <c oughs> สหายสามสิบคนนี้มีภ <c> ร <oughs> รยาทั้งหมดยกเว้นคนหนึ่งไม่มีภรรยานะก็เลยไปพาหญิง หญิงกลางเมืองมาด้วย <c oughs> แล้วก็ไปเล่นสนุกสนานกันแล้วก็ไปส่งน้ำไปอาบน้ากันในระหว่างที่อาบน้าอยู่นั้น <c oughs> หญิงกลางเมืองที่พามาด้วยก็เลยลักขโมยสิ่งของมีค่าไปแล้วก็หนีไปสหายพัทธวัคคีมาเห็นของที่หายไปก็เลยออกตามหาผู้หญิงนั้น ตามหามาจนพบผู้เจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ถามผู้เจ้าว่าสมณะเห็นผู้หญิงเดินผ่านมาทั้งนี้หรือไม่ผู้เจ้าก็ได้ทรงตัดว่าเธอจะค้นหาผู้หญิงหรือจะค้นหาตัวเองกลุ่มสหายพัทธวกิคีบอกว่าต้องการค้นหาตัวเองผู้เจ้าก็เลยทรงแสดงอนุปพิกถาและ อริยสัจสีนะ่การแสดงอนุปิกปุพิกถาก็คือทําให้จิตใจของผู้ที่ฟังนะเกิดความสงบนะเกิดความเข้าใจในระดับเบื้องต้นนะเป็นการนะทําให้ผ้ามีความสะอาดก่อนนะพร้อมที่จะได้รับการย้อมและดังนั้นก็ทรงแสดงอริยสัจสี่ <c oughs> เมื่อทรงแสดงแล้วนะก็พรัทวคีก็บรรลนะุเป็นพระอริยเจ้าในระดับหนึ่งต่อมาก็เป็นพระอรหันต์ได้ทั้งหมด แล้วก็ได้ทรงให้ไปเผยแผ่ธรรมต่อส่วนพระองค์ก็จะเสด็จไปอุลุเวลาเสนานิค ม, มพระองค์ก็ได้ทรงเสด็จดาเนรมเรื่อยๆนะจนกระทั่งมาถึงนะใกล้แม่น้ำเลนในลันชลานะได้พบกับนะชดินนะซึ่งในสมัยนั้นนะชดินก็เป็นผู้ที่มีผู้ที่เคารพนับถือมากนะซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองมาคต พระเจ้าพิมิตสารและชาวเมืองมคธก็นับถือฉดินนี้มากว่าเป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นการที่จะทรงไปเผยแผ่ธรรมในแคว้นมคธซึ่งเป็นเมืองใหญ่และมีลัทธิศาสนาลัทธิความเชื่อต่างๆมากมายก็ได้ต้องได้กําลังสําคัญไปก่อนก็คือกลุ่มชดินนี้ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยตั้งใจที่จะเสด็จมาเพื่อที่จะอโปรยกลุ่มฉดินนี้โดยตรง อาชาดินนี้ก็มีอยู่สามกลุ่มนะพี่ใหญ่ก็คืออูรูเวนกัสปะมีบริวาลอยู่ห้าร้อยตั้งอยู่บริเวณต้นแม่น้ำในลันชลาถัดมาก็เป็นนาทีกัสปะซึ่งเป็นน้องกลางมีบริวาลอยู่สามร้อยนะถัดมาก็เป็นขยากัสปะนะก็เป็นน้องคนเล็กมีบริวาลอยู่สองร้อย เพราะมก็ได้ทรงเสด็จเก็ไปหาช <c oughs> ดินอุลูเวนกัสปะแล้วก็ขอที่พักบบกว่าออจะขอพักในโรงไฟ <c oughs> ได้ไหมอุลูเวนกัสปาก็บอกว่าในโรงไฟมีพญานาคซึ่งมีฤทธิ์ร้ายแรงแล้วก็มีฤทธิ์มากด้วยมีพิษที่อาจจะทำให้ตายได้นะ พราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้พักอืแต่พระเจ้าก็ขอพักในที่สุดชดินก็เลยอนุญาตให้พักในขณะที่พักในโรงไฟนั้นพญานาคก็มีความไม่พอใจก็ได้ทําให้เกิดควันขึ้นมาแต่พระเจ้าก็ไม่เป็นไระพญานาคก็โกรธก็เลยพ่นไฟออกมาพระพุทธเจ้าก็เลยเข้าเตโชกสิลป์ นะทําให้เกิดไฟขึ้นมาต่อต้านทําให้ลงไฟนั้นะนะนะมีแสงสว่างจากไฟนั้ น, นลุกท่วมเหล่าฉดินก็เข้าใจว่าพระเจ้าคงก็ต้องถึงแก่ความตายผลิตของพญานาคแล้วแต่ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงชนะพญานาคนะและก็จับพญานาคนั้นใส่ไว้ในบาตในตอนเช้าก็ทรงสเสด็จอกมากลุ่มฉดินก็มีความแปลกใจว่าทําไมนะจึงสามารถชนะพญานาคได้ แล้วก็เอาพญายนาคที่อยู่ในบาทให้ดูนะแต่ว่าขณะนั้นอุเวนกัสปะก็มีทิฏฐิมานะมากบอกว่าออคิดว่าสมณะนี้มีฤทธิ์มากแต่ก็ยังไม่เหมือนเราที่เป็นพระรหันต์แล้วในคืนต่อมาบนะริเวณที่พระเจ้าพักก็มีแสงสว่างมากมาย อุลเว่นก็เห็นแสงสว่างนั้นแล้วก็สงสัยว่าเป็นแสงอนะไรต่อมาในวันรุ่งขึ้นก็ทรงถามพระเจ้าว่าเอเมื่อคืนนี้มีแสงสว่างอะไรหรือพระเจ้าก็ตรัสว่าเป็นแสงของมหาลาทั้งสี่ที่เสด็จมาเฝ้าพุเธองค์อุลเว่นก็เออสมณะนี้มีฤทธิ์มากนะแต่ยังไม่ได้เป็นพระทหารเหมือนเราเพราะเป็นทิฏฐิมานะในคืนต่อมาพระสักกะก็มาเฝ้าอีก อุลเว่นก็ถามะเป็นใคระในคืนต่อมาก็มีแสงสว่างอีกก็มาถามว่าเป็นใครพระพเจ้าบอกว่าคือสหัมบดีพรมอุลเว่นอุลเว่นกัสปะก็คิดว่าเออสมณนานนี้นะมีฤทธิ์มากมี <c oughs> บุญญาดิการมากแต่ก็ไม่เป็นพผลาญเหมือนเราอต่อมานะก็เกิดอ่น้ําท่วมใหญ่น้ําป่าก็ไหลหลากมาจากที่ต่างๆมาท่วมบริเวณ ที่อุลุเวนพักอยู่ทั้งหมดแต่อุลุเวนนี่ก็ยังใจดีนะระลึกถึงพุทเจ้าว่าจะมีอันตรายก็เลยรีบขึ้นเรือพร้อมกับบริวารขับพายเรือไปเพื่อจะไปช่วยพุทเจ้าพอพายเรือไปถึงที่พุทเจ้าพักอยู่ก็ปรากฏว่าในบริเวณที่พุทเจ้าพักรอบๆนั้นไม่มีน้ําเลยนะเป็นที่แห้งทั้งหมดแต่น้ําทั้งหมดก็สูงอยู่ในบริเวณรอบๆ อุลเวนเห็นก็เกิดความมาส์จใจแล้ววันนมนุษย์พระเจ้าขึ้นเรือนะแต่ก็ยังคิดว่าเออท่านก็ไม่ได้เป็นพระรหันเหมือนเราแต่พระเจ้าก็ทรงทราบความคิดของอุลเว่นกัสสะตลอดเวลานะก็เลยบอกว่าบอกอุลเว่นบอกว่าบอกว่าอหนทางปฏิบัติของท่านนั้นไม่ใช่เป็นพระหรหันหรอกนะท่านยังไม่ได้เป็นพระหรหันแต่อย่างใด และ ว, วิธีการปฏิบัติของท่านก็ยังห่างไกลจากความเป็นพระอรหันต์อยู่มากอุเวนก็เลยเกิดความสลดใจก็เลยน้อมกราบพระเจ้าเพื่อที่จะขอบรนทชาด้วยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องไปบอกแกสานุสิตทั้งหลายก่อนหลังนั้นอุเวนก็ไปประกาศกับสารุสิตทั้งหลายของตนเองในการที่จะขอบวช ส า, ารุสิตทั้งหลายก็เห็นด้วยก็เลยทั้งหมดก็เลยขอบวชตามก็เลยลอยเครื่องบริการทั้งหมดร้อยมาตามแม่น้ําในรันชลาแล้วทั้งหมดก็เลยบวชนะทั้งห้าร้อยองค์รวมทั้งอ่าูุรเวงก็เป็นหนะ้าร้อยหนึ่งเครื่องบริการทั้งหมดก็ลอยผ่านมาทางนาทีกัสปะนะทางนาทีกัสปะพอเห็นเครื่องบริการลอยมาก็คิดว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับพี่ชายแล้วนะก็เลยชักชวนบริวารทั้งหมด เดินทางมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือแต่พอมาถึงก็พบว่าอุลเวนนั้นบวชไปแล้วพร้อมทั้งบริวารก็เลยถามว่าเออเป็นอย่างไรพรหมจันทร์นี้อุลเวนก็บอกว่าเป็นพรหมจันทร์ที่ดีและถูกต้องนาทีกสปะพร้อมได้บริวารอีกสามอยก็เลยขอบวชทั้งหมดแล้วก็ลอยเครื่องบริขารมาเครื่องบริขาร น, นี้ก็ลอยมาตามแม่น้ำในลันชลาจนผ่านหน้ากลุ่มของขยะกสปะ ซึ่งอยู่ปลายแม่น้ำขยะ ก, กัสปะก็เห็นเครื่องบรคขารลอยมาก็คิดว่าพี่ชายคงจะได้รับอันตรายก็เลยชักชวนบริวารทั้งหมดเดินทางมาพอมาพบก็เลยเกิดศรัทธาเลื่อมใสก็เลยขอบวชอีกทั้งหมดนะก็เลยตอนนั้นนะก็เลยมีพระมากมายนะทั้งหมดก็พันสามร้อยพันกับสามรูปนะรวมหลงพะเจ้าก็เป็นสี่ พอมาเมื่อพักได้ระยะหนึ่งแล้วนะพรกเจ้าก็เดินทางต่อไปยังขยาศีสะการเดินทางไปขยาศีสะนั้นนะเมื่อไปถึงแล้วก็ได้ทรงแสดงพระสูตรสูตรหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากนะจริงๆแล้วพระสูตรที่สำคัญในพุทธศาสนานี่ก็มีหลายสูตรแต่ที่สำคัญมากก็มีธรรมจักรกับปนะภูตรนะแล้วก็อนัตตลกนณสูตร แล้วก็พระสูตรนี้นะที่แสดงให้กาฉดินฟังก็คืออาทิตยตะยปริยายสูตรนะพระสูตรสามพระสูตรนี้มีความสําคัญมากเนะพราะหลังาที่แสดงอาทิตตปริยายสูตรให้ให้ชดินทั้งให้พระชะดินทั้งหมดได้ฟังแล้วนะก็บรรลุปเป็นพระรหัน์ทั้งหมดเลยถึงหนึ่งพันกับสามรูปนะครั้นี้ในอ า, อาทิตตะปริยายสูตรนี้มีเนื้อความว่าอย่างไร มีเนื้อความโดยสรุปความได้ดังนี้สิ่งทั้งปวงทั้งหมดเป็นของร้อนสิ่งทั้งปวงคืออะไรสิ่งทั้งปวงก็คืออายัตนาภายในอันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนอายัตนาภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงโธพธิภะ ก็คือการกระทบสัมผัสธรรมารมคือความนึกคิดอันนี้ก็เป็นของร้อนวิญญาณคือความรับรู้ในการกระทบระหว่างอายตนะภายในและอายตนะภายนอกก็เป็นของร้อนอันได้แก่จักขุวิญญาณคือการกระทบจากอายตนะภายในและภายนอกและเกิดการรับรู้เกิดขึ้นก็เป็นของร้อน คานวิญญาณการรับรู้ทางหูโสตวิญญาณคือการรับรู้ทางหูคานวิญญาณการรับรู้ทางจมูกชิวหาวิญญาณคือการรับรู้ทางลิ้นกายวิญญาณคือการรับรู้ทางกายมโนวิญญาณคือการรับรู้ทางใจนะทั้งหมดก็เป็นของร้อนเนะมื่อการรับรู้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดผัสสะ หรือเกิดสัมผัสตามมาภัสสนี้นะก็คือเป็นของร้อนเมื่อเกิดภัสสะก็จะมีเวทนาตามมาเวทนานี่ก็เป็นของร้อนอะไรเล่านะเป็นความร้อนเหล่านั้นสิ่งที่ร้อนก็คือร้อนเพราะไฟไฟคือไฟราคะไฟโทสะและไฟโมหะเป็นของร้อน ของร้อนคือความเกิดความแก่ความตายเป็นของร้อนของร้อนคือความโศกความลำลํายลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแทนใจเป็นของร้อนเนี่ยทั้งหมดนี้ก็เป็นของร้อนนะเมื่อได้ทรงแสดงธรรมเช่นนี้แล้ว สาวกทั้งหลายก็เกิดความเบื่อหน่ายในอายตนะทั้งหมดในความแก่ความเจ็บความตายทั้งหมดเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วเพราะฉะนั้นกุลานาชดินสมณะทั้งหมดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ทั้งสิ้นจากการฟังอาทิตย์ยะปริยยายสูตรนี้ เพราะนั้นจริงๆแล้วถือว่าพระศูตรนี้มีความสำคัญมากเพราะแสดงเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำให้ผู้บรรลุพระหันได้เป็นพันคงเพทที่ว่าอยายตนะทั้งหมดนั้นเป็นของรอ น, นั้นนะก็เพราะว่าเมื่อมันเกิดนะการผัสสะเกิดขึ้นนะในรูปในตาและรูปก็ดีนะเมื่อเกิดการรับรู้ก็เกิดผัสสะผัสสะก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาก็คือมีความยินดียินร้าย หรือเฉยๆก็คือสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาเมื่อเกิดเวทนาแล้วก็เกิดตัณหาคือความยินดีพอใจความทยานอยากในอารมณ์เหล่านั้นหรือความเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเกิดตัณหาก็เกิดอุปทานคือความยึดติดยึดมั่นในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเกิดอุปทานก็เกิดภพภพก็คือสถานที่เกิดที่อยู่ของอารมณ์เหล่านั้นนะ เมื่อเกิดพบก็เกิดชาติชาติก็คือความเจริญเติบโตของลมเหล่านั้นเมื่อเกิดชาติก็เกิดชรามรณะโศกะปริเทวัตุขทมนัสุปายาสาปิตามายาวเหยียดก็เป็นความทุกข์ใจทั้งหลายแหละตามมาจากการเจริญของลมเหล่านั้นอันนี้ก็คือความเจริญในอทางจิตแต่ว่าคําว่าภพและชาตินั้นอ่เมื่อตายไปนะ ถ้าจิตยังมีอารมณ์เหล่านี้อยู่ก็จะเป็นเสเวยชาติในการเกิดใหม่เป็นตัวเป็นตนที่จะต้องมีความแก่เจ็บตายตามมาอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็คือปฏิจจัยสุบาทซึ่งเป็นการแสดงลักษณะอาการของจิตในการเกิดความตั้งอยู่ความเจริญเติบโตและความดับไปของลมต่างๆที่เกิดในใจนะเมื่อมีความเพลินก็จะมีภพมีชาติตามมานั่นเอง เพราะการที่มีพบมีชาตินั้นแล้วก็เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายแหล่ความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดจากตัณหาคือความเพลินอารมณ์ตัณหาก็เกิดจากเวทนาอก็คือการที่เราเข้าไปยินดียินร้ายหรือเฉยๆกับลมเหล่านั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญะเพราะว่าเมื่อเกิดเวทนาเกิดขึ้นมันก็จะเกิดตัณหาอเหล่านี้ะ ตัณหาก็คือที่รวมของราคาโทสะโมหะทั้งหมดอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะรันเป็นความเพลินในลมทั้งหลายนั่นเองนะแล้วหลังนั้นก็เป็นความยึดติดในลมทั้งหลายก็คืออุปทานนะอุปทานอุปทานนี้นะมันก็เกิดจากการที่เราเข้าไปยึดติดหลังจากที่ตัณหาเกิดขึ้นแล้วเนะี่ยมันก็ไปยึดในสิ่งเหล่านั้นนะในความเป็นตัวเป็นตนเป็นของของเรานะ สิ่งเราเนี่ยทําให้ใจนะไม่ออกจากความทุกข์ไปได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าเราต้องออกจากลมทั้งหลายให้เร็วก็คือไม่เพลินในลมทั้งหลายเมื่อไม่ไม่เพลินแล้วอ่ะพบชาติก็จะไม่มีอดังเช่นพระพุทธเจ้าได้ทรงรแสดงธรรมให้แก่ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดเพลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส และความนึกคิดนะก็คือในรูปนะเสียงกลิ่นรสนะโผฏฐาธรรมลมผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลนะินอยู่ในความทุกข์ผู้ใดเรากล่าวว่าผู้ใดที่เพลิดเพลินอยู่ในความทุกข์ผู้นั้นจะไม่พ้นจากความทุกขนะ์เพราะนั้นผู้ใดที่ไปเพลินในอารมณ์ต่างๆในตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้ว นะก็จะไม่มีความอนะก็เลยไว้ไปเพลิดเพลินในความทุกข์ทั้งหลายแหละนะแล้วก็มันจะไม่ออกจากความทุกข์ไปได้ไม่พ้นจากความทุกข์อย่างแ น, น, น่นอนนะเพราะมันมีอุปทานเป็นตัวยึดอยู่ในตัวเนี่ยอันนี้เป็นพระเจ้าเลยส่งแสดงไว้ตรงนี้แล้วแล้วต่อมาพระเจ้าก็ได้ทรงแสดงว่าดูความปิกสูทั้งหลายผู้ใดที่ไม่เพลิดเพลินนะในรูปเสียงกลิ่นรสผลถะธรมมลมผู้นั้นได้ชื่อว่าไม่เพลิน อยู่ในความทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดที่ไม่เพลินอยู่ในความทุกข์กนั้นย่อมพ้นจากทุกข์ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเป็นประเด็นที่น่าจะพิจารณาในตรงนี้นะเพราะว่าการที่เรามีความทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะว่าอะไรอ่เพราะว่าเรารู้ไม่เท่าทันในความยินดียินร้ายอ่หรือเฉยๆของลมทั้งหลายะ เมื่อรู้ไม่ทันก็เลยเข้าไปเสพนะไปติดไปยึดไปมั่นเป็นอุปทาน ใ, นในใจของเรานะมันก็ก่อให้เกิดนะความจําได้ไม่รู้นะสังขารความปรุงแต่งตามมานะในสิ่งเหล่านั้นนะกลายมป็อุปทานต่างๆกลายเป็นภพเป็นชาติมากมายเนะพราะเรารู้ไม่ทันในตรงนี้นะเราจึงต้องมนะีความว่องไวในสติที่จะรู้เท่าทัน นะความเพลินทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อรู้แล้วทําอย่างไรนะก็คือละความเพลินให้เร็วเท่ากับกับอิตาฉันนั้นเนะมื่อละได้แล้วนะอุปทานทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นภพชาติก็จะไม่เกิดขึ้นตามมานะตรงนี้นะว่าเราสามารถที่จะรู้ทันอารมณ์ต่างๆได้เร็วไหมนะเพราะวันๆหนึ่งจริงๆแล้วเรากระทบสิ่งต่างๆเหล่านี้มากมายนะนะไม่ไว่าจะทางทา ง, งรูปนะที่เราเห็นสิ่งต่างอ่านะ จริงๆแล้วที่กระทบบ่อยๆคือทางรูปและทางเสียงนี่แหละบางทีเราอาจจะทำงานอะไรก็แล้วแต่นะอยู่โรงครัวโรงครัวนี่ถือว่าโชคดีนะเพราะได้มีโอกาสกระทบเสียงต่างมากมายถ้าเรากระทบแล้วเรารู้ ท, ทันขณะนี้เรากระทบแล้วนะกระทบแล้วน่ะเรารู้ ท, ทันสิ่งเหล่านี้มีความไม่พอใจเกิดขึ้นมีใครก็นินทากัน มีใครเข้ามาว่าเรามาเอ็ดเราเมื่อความไม่พอใจเกิดขึ้นเรารู้ทันแล้วเราออกจากสิ่งเหล่านั้นได้ไหมนะตรงนี้ถ้าเราออกได้บ่อยๆแสดงเราเก่งนะดีกว่ามานั่งยกมือสร้างเยาว่าเดินจงกรมทั้งวันเสียงนะเพราตัวนี้มันคือของจริงที่เราได้กระทบกันแต่การที่เรามาปฏิบัติในรูปแบบก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่มันเป็นแค่การซ้อมเท่านั้นเองนะหรือไม่นก็เป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นเองยังไม่ได้ปฏิบัติจริงๆ นะเหมือนกับนักมวยที่ชกแต่ก็สอบสายก็ไม่รู้ว่าตัวเองเก่งหรือเปล่านะเพราะก็สอบสายมันโตตอบไม่ได้นะแตถ้าเรามีการไปกระทบอารมณ์ต่างๆเออใครก็มาเน้นท้าเรามาว่าเราเราออกจากลมได้ไหมไม่เพลินในลมได้ไหมนี่แหละตรงนี้ถึงจะเก่งจริงนะนี่คือการไปบัติจริงๆอยู่ตรงนี้ไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีนะเหมือนกับเราได้ขึ้นชกกับนักมวยจริงๆแล้วเนี่ยเราหลบเขาได้ไหมนะเราทนที่เขาต่อยได้ไหมอันนี้จริงจะเป็นของจริงนะ เพราะนั่นจริงๆก็คือว่าการกระทบรมต่างๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราสามารถที่จะออกจากลมทั้งหลายแหล่ได้นะหลมงเบชาเคยกล่าวไว้ว่าสนามรบของเราไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ในป่าในเขาแต่ว่าอยู่ในเมืองนั่นเองนะเพราะว่าเมื่ออยู่ในป่าในเขาก็คือเราได้มาฝึกอบรมให้จิตมีสติมีสมาธิมีปัญญาให้เกิดความสงบแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วนะ ได้ประสบกับสิยงวุ่นวายต่างๆอมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้ น, นแล้วเราเมื่อกระทบแล้วเราออ ก, ากอารมณ์ต่างๆได้ไหมอนะอันนี้ก็คือการที่เราเข้าสอบแล้วนะเราจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านก็อยู่ที่ตรงนี้นแต่ถ้าใจของเรานะนะมีความว่องไวที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนะอารมณ์ต่างๆเมือ่อจะอยู่ไม่ได้หรอกนะมันจะทนอำนาจของสติไม่ได้เพราะสตินี้นมีความว่องไวมาก ใกล้เคียงกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะเหมือนกับทุกวันนี้นะอจะมีการลบกันนะอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในยุคนี้ก็คือเครื่องบินลบนะเครื่องบินลบนี้จะมีความเร็วกว่าเสียงนะเรียกว่าพอเห็นเครื่องบินปุ๊บเราก็ตายทันทีเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงมาก่อนพนะอมาถึงก็ทิ้งระเบิดเลยแเรวก็ตายทันทีแล้วนะเพราะฉะนั้นอาวุธอย่างอื่นนะรถถังหรือพลเดินเท้าหรือเรือลบก็ยัสู้ไม่ได้นะ ต่สิ่งที่จะมาสู้กับเครื่องบินลบได้คืออะไรสิ่งที่มาสู้กับเครื่องบินลบได้ก็คือเครื่องบินลบด้วยกันนะเพราะมีความเนะร็วล้วดเร็วเท่ากันนะเพราะฉะนั้นอารมณ์หรือจิตทั้งหลายแหล่นั้นก็มีความรวดเร็วในการที่จะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นไวมากนะอารมณ์คนเราความคิดทั้งหลายก็ว่องไวมมีความว่องไวมากแป๊บเดียวคิดได้ตรงเยอะแยะนะบางทีดูให้ดีนาะทีหนึงคิดไม่รู้กี่เรื่องเข้าไปแล้ว เพราะนั้นสิ่งที่จะรวดเร็วเท่าทันความคิดทั้งหลายหรือรวมทั้งหลายก็คือสตินั่นเองนะสติก็มีความรู้ตัวรู้ ร, ร, รู้ตัวได้เร็วมะรู้ท่าทันความคิดได้เร็วนี่แหละคืออนุภาพที่ใกล้เคียงกันนะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีสติแล้วเนี่ยก็จะไม่เข้าไปอ่าเป็นผู้เป็นในอารมณ์ต่างๆนะอมีสติแล้วก็ไม่เป็นผู้โกรธไม่เป็นผู้งุนงิดไม่เป็นผู้รักไม่เป็นผู้ชัง ไม่เป็นผู้อ่มีอารมณ์ต่างๆะเรามันไม่ได้เข้าไปแสดงนิ้วนะแ ต, แต่ถ้าเรามีสติแล้วเราจะกลายเป็นผู้ดูไปนะเป็นผู้ดูก็คือเราเป็นผู้เห็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะจากอารมณ์ที่เมื่อก่อนมันเข้าไปสู่ในความโกรธแล้วเราจะเริ่มเห็นเออขนาดนี้เรากําลัางหงุดหงิดแล้วนะกําลังขัดเคืองแล้วนะก็คือจากการที่เมื่อก่อนเราเป็นผู้เป็ น, นกลายเป็นผู้ดูนั่นเองนะเราก็กลายเป็นผู้ดูยิ้วแทนนะเราไม่ได้ไปแสดงนิ้วอย่างเก่า การที่ไม่แสดงนิ so ้วนั่นแหละเราก็ไม่มีความทุกข์แล้วนะแต่เราเข้าไปแสดงนิ้วเมื่อไหร่เราก็มีความทุกข์เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ไปเพลิดเพลินในลมทั้งหลายก็คือเราไม่เข้าไปแสดงนิ้วนั่นเองนะเราก็เป็นผู้ดูนิ้วนะเราก็เป็นผู้ที่ไม่ไปเพลิดเพลินเมื่อดูยิ้วเราก็รู้ว่าเราเป็นผู้ดูยิ้วน่ะเราก็ออกจากลมทั้งหลายได้แล้วเราออกจากความเป็นผู้ดูได้ด้วยนี่แหลมันถึงจะรวดเร็วว่องไวขนาดนั้นนะ ก็จริงๆแล้วนะเราก็เป็นสิ่งที่ว่าเราต้องอคำนึงในตรงนี้ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไวนะนะนะ้นานตรลักคณะสตรอยู่แล้วว่าอาสิ่งทั้งปวงคือรูปเวทนาสัญญาสังขารมิ ญ, ญาณก็คือกายและใจนี้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราเข้าใจในตรงนี้แล้วนะเราก็จะไม่ยึดในสิ่งใดเลยนะแม้แต่ตัวตนของเราเราก็รู้ว่ามันไม่ไม่ควรที่ยึดมั่นถือมันอยู่แล้วเราจะไปยึดสิ่งใดอะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะ ถ้าเราสามารถเข้าใจในอนัตตาได้ถูกต้องในความไม่ตัวไม่ตนของเราแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราแม้แต่นิดเดียวนะมันไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราอยู่แล้วนะอกายและใจจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะฉะนั้นน่ะจิตนี้มันจะคิดก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรานะจิตมันคิดก็เป็นเรื่องของจิตไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยแม้แต่นิดเดียวะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของจิตเองอมันเกิดมันก็เกิดเกิดเกิดมานเองไม่ได้เกี่ยวกับเรา <mister ius> เพราะปกติแล้วมันก็คิดของมันเองแล <safety> <t |en|> ้วทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วนะคิดว่านละต้องห้าหมื่นครั้งนะแสดงว่าเราไม่ได้ตั้งใจคิดนะเป็นส่วนใหญ่แต่มันคิดมันเองแม้แต่นอนหลับก็ยังคิดเลยนะก็เป็นความฝันแสดงว่าจิตมันก็คิดของมันเองแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรามาแต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดอารมณ์ทั้งหลายแหละนะอารมณ์รักอารมณ์ชังความไม่พอใจอารมณ์ทั้งหลายแหละก็เป็นเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรานะเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันไม่ไปตามเหตุตามปัจจัยของเเองนะ ไม่ใช่เกี่ยวกับเราเลยไม่แต่น้อยนะมันจึงจะออกจากความเป็นตัวเป็นตนในรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาณได้จริงๆนะแต่คิดว่าเราเป็นความคิดเป็นของเราเราคิดอเราโกรธเรารักเราชังมันก็ยังเป็นตัวตนของเราอยู่ดีนะเพราะเรายังออกจากความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเดียวนะเพราะฉนั้นเมื่อเราปฏิบัติไปนานแล้วกี่สิบปีก็แล้วแต่อถ้าเรายังออกจากความคิดในความเป็นตัวตนในตรงนี้ไม่ได้ นะยังคิดว่า เ, ออเรายังคิดเราคิดอยู่นะเราโกรธเราลักเราชางังเราไม่พอใจในสิ่งต่างอยู่ในลักแสดงว่าเรายังออกจากตัวตนต่างๆไม่ได้เลยเพราะฉะนนั้นการปฏิบัติของเราก็เท่ากับอไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเพราะมันยังออกจากความยึดมั่นในตรงนี้ไม่ได้เราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรนะอันนี้ก็คื อ, อปัญญาที่เราจะต้องค่อยๆสะสมขึ้นมานะเพราะการปฏิบัติธรรมในที่สุดนะก็คือเพื่อให้เกิดปัญญานั่นเองนะ ปัญญาก็คือการที่เราเห็นความจริงในตรงนี้แหละว่าสิ่งต่างเหล่านั้นอไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานั่นเองนะจะได้ออกจากความยึดมั่นถือมั่นได้ว่าเราจะเห็นในตรงนี้ไหมนะการบฏิบัตเพียงแค่มีสติสมาธิปัญญาความรู้สึกตัวนั้นอันนี้แค่เป็นหนทางเท่านั้นยังไม่ใช่ปลายสุดไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงปัญญาก็ต้องเห็นในตรงนี้ด้วยอในความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสภาวะธรรมต่างๆ ของความไม่ให้ตัวไม่โตเหล่านี้จิตก็ได้คลายความยึดติดความยึดมั่นในขันหานี้นะเพราะนั่นเมื่อจิตเข้าใจเช่นนี้แล้วจิตก็ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะก็ขอทุกท่านถึงซึ่งความพ้นทุได้ในชานนี้นทุกท่านเถอด